เสาร์ต้นเดือนนะัเราก็มาปฏิบัตินะในวันเสาร์วันอาทิตย์นะต้องทุกเดือนเพราะในเดือนเดือนหนึ่งเราจะไม่มีเวลาว่างในการปฏิบัติในเต็มที่แต่เมื่อถึงวันเสาร์ต้นเดือนเราก็มารวมกันที่จะมาศึกษาในเรื่องจิตของเรานะ เพราทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยก็มีขันห้ามีโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งจิตเนี่ยก็มายึดเอาขันห้านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละก็เป็นเราของเราเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วตั้งแต่เราเด็กๆนะเราก็มีว่ารู้สึกนี้คือเราเป็นเราเพ่อแม่ก็ตั้งชื่อให้มาถ้าใครเขาเรียกชื่อนี้ เชื่อมัเราชื่อนอี่กอถ้าใครเรียกว่านายกอรหรือนางขอเราก็จะรู้สึกว่าเรียกเราเรียกเราตั้งแต่เล็กๆเรารู้ความรขึ้นมานั่นแหละความเป็นตัวเป็นตนมันก็มีความรู้สึกอยู่ในใจแล้วเพราะเมื่อร่างกายนี้มันเจ็บมันเทุกท์ทรมานอะไรร้อนเกินไปหนาวเกินไปแล้วคนเราร้อนเราหนาวทางนั้ น, นอันนี้ เป็นพื้นฐานก่อนแต่เมื่อเราได้เรียนรู้ขึ้นมาตามระดับในเบื้องต้นพ่อแม่ก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีนะท่านก็จะได้อบรมเราอยู่ในเรื่องของศีลธรรมและศีลธรรมความดีมีการให้ทานมีการเสียสะละหรือมีศีลห้าในวันปกติมีศีลแปดนะในวันพระในวันที่เราตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติ คือเราก็จะวางภาระวางหน้าที่ทั้งหลายที่เราได้ทํามาตลอดทั้งเดือ น, นเนี่ยนะมันเป็นภาระอันหนักเหมือนกันเพราะเราก็ต้องศึกษาเราก็ตั้งเล่าเรียนก็เป็นภาระอันหนักเมื่อเรามาทํากิจการงานนะก็เป็นภาระอันหนึ่งที่เราจะต้องทําอยู่เพื่อหาเลี้ยงขันห้า น, นี่แหละนะเพราะเรามีรูปประกันเนี่รูปประกันนี้ ถ้าไม่ได้อาหารก็เกิดความทุกข์เกิดความทรมานอาหารน้อยเกินไปก็ทุกข์ทรมา้วนะเป็นโรคอย่างหนึ่งเหมือนกันชิคัจจปรามาโลภาสังขาราปรามาทุกขาคือความหิวนี่เป็นโรคอย่างยิ่งนะสังขาร น, นี้มันเป็นทุกข์ความหิวนี้เป็นยังไงก็ล้วเราหิวก็อาหารก็ดีนี่ถ้าเราไม่ไรับประทานเชาวนี้เรายังไม่ได้รับประทานอะไรมาเลย ก็ต้องเดี๋ยวต้องรับประทานละถ้าไม่รับประทานก็จะมีความทุกข์ทรมานน้ําย่อยออกมาย่อยกระเพาะของเราเองนี่นะมันจะเกิดการแสบท้องทุกข์ทรมานทีเดียวไม่ได้ดื่มน้ําก็มีความทุกข์ขึ้นมาอีกนะสังขาราะสังขานี้เนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นก้อนทุกข์อยู่อย่างนี้แหละนั่งนานๆยืนนานๆเดินนานๆทํางานหนักก็มากเกินไปนะสังขานี้มันเป็นทุกข์แต่เราก็ต้อง ศึกษาเราเรียนก็เป็นทุกข์อีกต้องคอยจดคอยจําคอยท่องคอยสอบไปผ่านขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตลอดจนทําหน้าที่การงานเป็นลูกน้องก็ทุกข์อย่างหนึ่งพอตําแหน่งเราสูงขึ้นอีกเราก็เป็นหัวหน้าเขาขึ้นมาก็ต้องบริหารจัดการก็ทุกข์อีกอย่างหนึ่งอีกนี่หมายไม่ใช่ว่าจะพ้นทุกข์ไปตามใดที่ยังมีสมมติอยู่ตามใดที่จิตของเรายัางยึดถือสมมติอยู่ น, นั่นยึดว่ามีเรามีของเราอยู่นั่นแหละ นะถึงเราจะเป็นยังไงอยู่อย่างไรก็ตามจะเป็นจะรวยจะจนจะมียศธรรมดาสากมากมายอะไรนี่แหละนะแต่ถ้าเกิดยังมีเราอยู่เนะี่ยเกิดทิฏีิเกิดมานะเกิดอุปท า, านความยึดมัน่นถือมั่นแล้วยังมีอยู่เนี่ยใจของเรายัางเป็นทุกข์นะองค์สมเด็จพระสัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก, ก็ทราบดีนะถึงในเรื่องของความทุกนี้พองศ์หาทางออกจากความทุกข์ได้จนพบแล้วว่าหนทาง ที่จะออกจากทุกข์ได้นั้นจิตใจเนี่ยก็คือใจิตใจที่ไม่มีอุปทานต้องถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากใจอุปทานนี้เนี่ยมันได้เกิดพบเกิดชาติเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอีกตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเองนะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมอะนะ เราก็จะต้องมีความทุกข์อย่างนี้เรื่อยไปจนร่างกายนี้มันแตกมันดับไปนี่แหละอ่ามันแตกดับไปแล้วดับเฉพาะร่างกายนี้นะขันห้านะั้นก็หมดไปแล้วแต่ว่าจิตเนี่ยมันยังไม่ดับแลอไม่สูญไปเลยสมัยพุทธกาลก็มีความเชื่อตายแล้วก็สูญไปเลย <c oughs> ตายแล้วก็สูญไปเลยไม่มีการมาเกิดอีกนะ เพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรก็ทํเพราะมันสูญไปแล้วบางคนก็เชื่อว่าตายแล้วเกิดนี่เราเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดอย่างนี้ตลอดไปาศาสตร์เกิดเป็นาศาตร์ก็เกิดตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าความเห็นที่มันออไม่ถูกต้องมันสุดโตงว่าอย่างนั้นนี่พระพุทธเจา้าก็มาตัดถึงว่าคนเรานั้นน่ะตายแล้วเกิดแต่ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรม เมื่อมีกิเลสก็เกิดการทํากรรมขึ้นมาเมื่อทํากรรมกับมีวิบาของกรรมเกิดขึ้นมิวิบาของกรรมมีแล้วก็เกิดให้ก่อให้เกิดกิเลสอีกมันจะหมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เรียกว่าวัฏฏะสงสารนะวัฏฏะบนนะวัฏฏะบนก็คือการเวียนว่ายตายแล้วก็เกิดนะเพราะฉะนั้นเมื่อคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้อยู่ตลอดไปร่างกายจเจริญเติบโตเรื่อยมีอายุขึ้นไปเรื่อยๆ วันหนึ่งก็ตายตายแล้วจิตนี่จะต้องไปเกิดอีกแล้วนะเพราะว่าทํากรรมเอาไว้นะถ้าทํากรรมดีแล้วก็ช่วงสุดท้ายของจิตคิดถึงความดีด้วยนะตรงนี้เราก็จะไปเกิดที่ดีก่อนเราเรียกว่าเป็นสวรรค์นะกรรมมาโยการัึงหชั้นตั้งแต่ว่านะชั้นแรกๆจะตูมมหาราชกาขึ้นไปนั่นแหะนะนะเป็นดานะวเดือง นะเป็นชั้นยามาชั้นดุสิตแล้วก็สูงขึ้นไปเป็นชั้นของผู้ที่ได้ฌานแต่ว่าตายนอกฌานก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพอาเป็นคุณงามความดีนี้นะสั่งสมเอาไว้นะพอสุดท้ายเราจะต้องต่อสู้ต่อสู้กับความคิดความนึกความปรุมความแต่งของใจของเรานี่ในสุดท้ายจิตสุดท้ายก่อนจะตาย จิตสุดท้ายก่อนจะตายนี่เกิดเศร้าหมองละ่ะเราทําความดีมาตลอดนะทําความดีให้ทา่ทานสมัคทานศิลตลอดแต่ตอนที่จะดับจิตสุดท้ายไป <c oughs> แล้วจิตของเราเกิดความเศร้าหมองนะเมื่อเกิดความเศร้าหมองนี้น่าจะเป็นยังไงละ่ะนะท่านว่าจิต ท, ที่เศร้าหมองเนี่ยก็จะต้องไปทุคกกติอืไปทุคตินะ จิตเตสังคฤทธิเถรทุกติปาฏิทังขาต้องไปนูน่นไปตกสู่อบยภูมินรกแปดสุรกายสัจเรชานเพราะฉะนั้นตรงนี้ช่วงกําลังจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาตินี่นสําคัญเดียวดัง น, นเราจะต้องพยายามมาฝึกฝนเอาไว้ก่อนตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่ร่างกายยังแข็งแรงนี่ต้องพยายามสร้างความดีก่อนเห็นมาให้ทานสมาทานศีล ส, สวดมนต์ฟังธรรมเนี มเมืราจะใกล้สินใจบางทลูกหลานก็ดีก็จะมาสวดมนต์ให้เราฟังนะเอติพิโสภควาสวาคาโตสุปฏิปโนเนื้อเราชอบบทมันบทใดก็สั่งเอาไว้ก่อนเออบทนี้เราชอบนะเห็อนองค์ใดพระสัมพุทธอย่างเงี้ยเราสวดครั้งใดก็เกิดปิติเกิดความสุขใจในมนต์บทไหนเราก็บอกลูกบอกหลานไว้ว่บ า, บนะาบทนี้นะเออถ้าเกิดว่าจะสิ้นลมแล้วให้สวดก่อน ส่วนตอนเจ็บตอนป่วยนี่แหละมันจะใจก็มีที่พึ่งที่พิงนะเพราะตอนนี้เรานั่งภาวนาเราเดินภาวนาเรายินภาวนาแต่ยามเจ็บแล้วป่วยนี่เราต้องนอนภาวนาละนอนภาวนาฟังธรรมะหรือคนอื่นเข้ามาสวดมนต์ให้เราฟังพระเจ้าประสงค์มาสวดโพชังโคบ้างสวดจิตพิโสบ้างใจของเราก็อน้อมเราเลิกไปจะได้ไม่หลงเลืมสติ เพราะมมีเวทนาเกิดขึ้นมาที่เราหลงลืมสติไปได้นะดังเจ้าต้องให้สติกันให้สติกันก่อนที่จะตายใช่ไหพุโทโธนะนะพุโทโธนะเราก็ต้องท่องลึกในใจไว้ไม่้มันผิดมันเพี้ยนไปละถองจะมีเวทนาขันขนาดไหนก็ต้องบริกรรมภาวนานในใจของเราหายใจของเรามันสงบเป็นสมาธิตั้งมันอย่างน้อยหายใจของเราเบิกบานใจเป็นบุญนั่นแหละนะไม่ต้องทึงสมาธิมาก สบายใจสุขใจบาร่างกายนี่มันแตกดับไปจิตก็เข้าสู่สุขติโนกสวรรค์นะทั้งในปัจจุบนันนี้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยใ <c oughs> นะเรา่อชีวิตจิตสุดท้ายก่อนตายด้วยก็สําคัญเราก็ต้องระลึกถึงวันชีวิตวันหนึ่งเนี่ยที่เราเกิดขึ้นมาก็จะต้องตายอย่างนั้นต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะเตรียมตัวไว้ก่อนเราไม่ประมาทแล้วพระพุทธเจ้าท่านตัดเป็นบทสุดท้ายแล้วล ว, ว่าง ปัจมอวาจาและปัจฉิมโอวาทแล้วใช่ไหมหัตถานิพข เ, เวออมตยามิโูนูก่อนวิสูทัท้งหลายบัจณีเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าไวยะธรรมมาสังขาราสังขันทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปะปมาเทนสัมปาเถธติท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดไอยังตถาคตสัพปัจฉิมาวาจาอันนี้เป็นวาจามีในข้างสุดท้ายของพระตถาคดเจ้า พระหมาการุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาประมาณไม่ได้ของสมเด็จพระสัสดา ข, ของเราแม่พระองค์นั้นน่ะจะดับขันปริณิพานแล้วนะก็ยังมีเมตตาการุณาที่เตือนสติด้วยธรรมะนะแก่พระพิสุทธิสงฆ์พระพิสุทธ์นี้บาสบาสิกานั่นน่ะนะให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาะเทาเพราะฉะนั้นเราก็มาคิดดูว่าเรายังประมาทอยู่เรื่องอะไรบ้าง เรายังดื่มโสุราไหมเออเรายังทําอะไรข้อไหนบ้างที่มันในศินห้านี้ยังประมาจอยู่เราก็เลิกละนะเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนอย่างที่เราเห็นนี่แหละอย่างโยมแม่ธรรมาก็เพิ่งจะมรณาภาพลงไปเนี่ยเนี่ยเห็นกันเลยว่ามันไม่เที่ยงนั่นน่ะก็ึ้นมาแล้วนะไปสี่ปีก็ตายไปแล้วตามอายุไขตามใบนะที่เกิดขึ้นมาก็เป็นไปตามนั่นแะล้วพวกเราเนี่ย ก็จะต้องตายทุกคนพระก็จะต้องตายทุกองนะก็จะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วพิจารณาแล้วก็พยายามปฏิบัติเออต้องพยายามทำวัดสวดมนต์นะนาที่ของโยมก็ให้ทานสมทานศีลนะฟังทำปฏิบัติตามกําลังของชีวิตของเราเพราะเรามีหน้าที่มากมีการงานมากนะทำการงานกันั้ง8ปชั่วโมงจะมีวันหยุดก็เสาร์อาทิตย์นี่แหละจะพอมีเวลาว่างบ้างก็ยังมาสนใจปฏิบัติธรรม พระเจ้าประสงค์บัณฑิตมีการงานมือนกราวานมากก็ต้องปฏิบัติให้มากทีเดียวนะทำบ๊ะสดมื้อเช้าเย็นนั่งสมาธิเดินยังกรมอย่างน้อยวันนึ่กับแชั่วโมงอ่ะอย่างน้อยนะเดินยังกรมนั่งสมาธิแปดชั่วโมงนําภาวนาให้เต็มกําลังทีเดียวเพราะว่าก็ไม่ได้มีกิจธุระอะไรมากมายเหมือนกราวานนะมีหน้าที่งานหลักก็คือการภาวนาอันนี้หน้าที่ของพระสังฆารวาส น, นี้เราต้องหมั่นสร้างสมอบรมความดีนะอะไรเป็นบุญ เราก็พยายามทําทางกายทั้งวาจาทางใจอะไรที่เป็นบาปกายวาจาใจก็พยายามละไปพยายามประพฤติพยายามปฏิบัติเช่นวันนี้กเ็เป็นวันเสาร์ต้นเดือนนะก็เราก็มาปฏิบัติภาวนากันนะก็ขอให้ตั้งใจนะเป็นผู้ที่ตั้งใจจริงๆในการภาวนาเพื่อจะพัฒนาใจให้สูงขึ้นแล้วก็สร้างที่พึ่งที่พิงของเราเอาไว้ก่อนสร้างพระในจิตใจของเราเอาไว้ก่อนนะ ให้ใจของเรามีที่พึ่งที่พิงยาบจิตสุดท้ายเราจะได้มีสติหมดจากลมหายใจไปแล้วก็จะเกิดในภพชาติที่ดีไว้ก่อนหรือว่าเราอาจจะสําเร็จในพระสวัสดสกิธทคานาคาพัชร์ก็ได้ถ้าวาสนาบารมีของเรามันเต็มแล้วก็เป็นไปได้ก็ขอให้พยายามและเจริญในธรรมเท่ากันทุกท่านเถิด